ท่านสาธาชนพุทธบริษัทและบรรดาลูกหลานที่รักมาวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของพระโอรสขอมหาโอโบสถบันดิตข่าวที่แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้สั่งให้เบิกบันดิตทั้งสี่ออกมาจากเรือนจำและสั่งให้พระยาคาดนำไปประหารให้จิรเจคาดมัดมือไฟหลัง เอาไม่เรียวสี่อันตีลงไปคนละร้อยครั้งก็เท่ากับตีสี่ร้อยครั้งก็สี่ร้อยแนวแล้วก็ปักเหลาทำตะแงงแกงเป็นเป็น่าจะเอาวางสิทธิ์ทั้งสี่นีเป็นนอนบนเหลาคราวก่อนเรื่องมาจบตรงตรงนี้ตอนนี้ก็มาพูดธมะโหสุดมันดี เขาบว่าสดปัญดิตนี่มีจิตไม่เหมือนกับเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสีเมื่อทราบว่าพระราชาทรงพระวิดโรดโกรธบัณฑิษทั้งสี่กควรจะเรียกว่าอาสารพิทั้งสี่อ๋อสดมีความสงสารท่านทั้งสีที่ได้กราบพระราชาจะกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่ส ม, มติณเทพอาจารย์เหล่านี้ไปอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นคนเก่าคนแก่อยู่ในพระราชสำนักขอพ ร, ระองค์ได้ทรงพระคุณนาโบทงทตอาจารย์ทั้นหลายด้านเถิพระพุทธเจ้าข่านี่คนดีเขาไปอย่างนี้นะลูกหลานที่รักเขาไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะคิดอิจฉาได้ที่อยากใครความจริงอาจารย์นางสีคิดจาฆ่ามโหสถ แต่ ว, ว่าเวลานีาหา้หมอสดแทนทีน่โกรกรับทุนขอประทานาภัยราชาทรงเห็นแก่มาหมอสดรักมาหมอสดมากเหมอสดเป็นคนดีจ้าได้รมพระเจ้าทานพระบรมราชาธิญาให้มดการลงโทษอาจารย์นาั้งสี่แต่แล้วแต่ที่อาจารย์นั้งสี่เข้ามาทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า เราขอให้ากานืา้สีเป็นทาตขอโมโหสถตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไป อ, อยากจะใหญ่นี้ชขาใหญ่แน่ความจริงทาตใไโตนะงานการทุกอย่างที่เจ้านายต้องการมันสาเร็จผลมาจากทาตาเขาจะกินข้าวเราหาข้าวให้กินเราก็เป็นใหญ่ในการหาข้าว เขายถ่ายอุจาระเราเป็นร่างสวมในเขาเราก็เป็นใหญ่ในการสาธสวมนี่เขาเมื่อยเขาต้องการหายโปวดหายเมื่อยเขาใช้เราโนดเราก็เป็นใหญ่ในการบรรเทาความโปวดความเมื่อยความจริงการเป็นทาสนี่ก็เด่นแต่ว่ารู้หลานีย่เอาเลยนะถ้าอยากทำให้เขาก็ทําด้วยความไม่ตาการนี้ไอ้ทาแบบเป็นทาสไม่ดีดูเลา่าดูคอมเมนต์ดูยวน ถ้าอาการอย่างนั้นมันดีแล้วก็ไม่มีใครกลเสี่ยงภัยเราทิ้งบ้านทิ้งเรือนหนีมาประเทศไทยบ้างหนีไปมาเลเซียบ้างหนีไปอินโดนีเซียบ้างหนีไปญี่ปุ่นบ้างถึงกับเรือล่มจมตายกันระหว่างทางนับเป็นพันคนเพราะเทนความเป็นทาสของลทัทธิบัลลัตมาไม่ได้ทีงเขาบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงอยาเชื่อเขาเราอยู่กันมาอย่างนี้รับนับเวลาเป็นหมื่นปี เราอยู่ได้ความดีอยู่ได้ความดีเกอย่าไปเชื่อคำยุยงส่งเสริมเขาบุคคลหลายที่จะให้ทําให้เราเป็นทุกต้องตกเป็นทาสเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่ามาโหสโติกราทูนพระราชามาขอเดชะพระบารมีปกลาปกรมมถ้าพระพุทธเจ้าขอให้อาจารยานตีนี้พ้นจากความเป็นทาสจงเป็นไทยวิญญาณข้าณตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ในหมายความให้เป็นท่าเขาก็รับแต่ว่าเขาขอให้เป็นสารภาพไม่ต้องการเป็นท่าเพราะว่าถ้นเอาอสารพิษเธอไอ้แก้าสราพัดพิษเนี่พิษมันเยอะลูกหลานที่รักมันมีพิษมากต่อไปเลยนี่เขาขอโทษให้มันแล้วมันยังอั ก, กตันยูต่อไปข้านาฟังก็ต่อไปสําหรับคนเหลเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นว่าเขาให้อภัยแล้วพระราชา จะได้ทรงตัดว่าท่าเท่านั้นอาจารย์นาสีจะอยู่ในอาณาจากักรของเราไม่ได้เจ้ากออกไปพ้นจะอาณาจักรข้องเรานับปันดาบันนี้ไปตลอไปโทษในประเทศท่านมโหสถเด้กราบทูลนครเดช่าท่าพระพุทธเจ้าขอพ่อรมราชาอนุญาตยาได้ทรงขับพระอาจารย์นัาสีเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าอาจารย์นาศีออกจากพระอาจานาจักไปนี่เป็นการไม่สมควรนั่นขอให้โปรดหอาจารย์นาศีคงดำรงอยู่ในฐานันดรฐานะตามเดิมเพกัอเป็นอยู่นิยตธรรมบรรดาษันี่คือความดีหักล้างความชั่วแต่อีคนอากตัญโยไม่รู้คนเนี่ไม่รู้คนคนจะดีขนาดไหนมันก็มองไม่เห็น มันมองอย่างเดียวแต่ประโยชน์ของมันเท่านั้นอย่าไม่นะลูกหลานที่รักระ ว, วังนะคนที่เราจ้างเขาทํางานเพื่อเราที่เราเรียกกันว่าข้าราชการก็ดีเราจ้างเขาไปแทนตัวเราที่เรียกกันว่าโคชานรัสรานก็ดีเราจ้างเขาบริหารประเทศที่เรียกว่าคณะรัฐบาลก็ดี คนพวกนี้มีประโยชน์จากเงินภาษีอากรของพวกเรามนการที่เราจะเลือกเขาเข้าไปเราเขาต้องดูว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีนิ้วไน่้นี่ไนยไน่ไรจงตัดแต่นิ้วนั้นแล้วคนไหนเลวค ง, ง, งจงประนามขับไล่ทําแต่บุคคลนั้นอย่าไปไล่กนะันทั้งกลุ่มคนทั้งหมดนะมีจำนวนเป็นล้านคน ดีไม่ดีชั่วคนเดียวเราหาเขาชั่วทั้งหมดนมันก็ไม่โทบางทีคนดีมีอำนาจวานสนา น, น้อยอยู่ใต้บงังคับบัญชาของคนชั่วเขาโกรธไม่ขึ้นเหมือนกัเหมือนกับนายตำรวจคนหนึ่งมียศเป็นสารวัตรใหญ่แกไปจับไม้หลายสิบท่อนที่อยู่ในเก่งของแกแกเป็นเจ้าหน้าที่ในที่นั้นจะก็จับ ไปจับเอาใครเขาทราบไหมจับเอาไม้ของจเจ้านายเขาแต่ว่าจเจ้านายนี่เขาไม่ได้ทําเองเขาใช่คนอื่นทเพราอจับเข้ามาแล้วเจ้านายก็เลยไปถามว่าเธอจะจับไม้ทําไมจะไม่แจ้งฉันก่อนท่านนายตลรวจคนนั้นก็เดกราบเรียนโดยตรงว่าผมเรียนให้ท่านทราบก่อนท่านก็คงสั่งมาให้จับ แต่ว่าถ้าผมไม่จับชื่อเสียงของก็เสียผมเป็นตำรวจตำรวจมีคำว่าที่ทักษิณราชทั้งนาความสุขประชาชนก็ไม้นี่มันเป็นไม้เถืน่นการทำํำตัดไม้ทําลายป่าที่ว่าเป็นการบ่อนทาลายประเทศชาติเนี่ยเขาต้องไลยแล้วนั่นก็มาเดืเสียไปเสียก่อนมันเป็นการผิกดกฎหมาย ฉะนั้นถ้าหาว่าเขาทำผิดกฎหมายในที่ต้องผมผมต้องทำเป็นอรุณนายตารวจคนนั้ น, า น, า น, นมาพูดไปตามนั้นนายก็ขอแข็งไม่รู้จะทำยังไงแต่ต่อมาไม่ช้าไม่นานอะไรก็ถูกย้ายไปอื่นย้ายไปในเขตที่มีอาณาเขต ด, ดีกว่า คือหมายความมีงานดีกว่ามีงานมากกว่าก็เมื่อย้ยายให้มันดีขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่เขาย้ายไปพ้นเขตที่เขาจะเอาไม้ต่อไปนี่ลูหลานที่รักแต่เห็นว่าตำรวจเรวก็จยงดูว่าตำรวจที่จะต้องเล็วนเนี่ยเรวเพราะตั้งใจ เ, ว เ, วเรวหรือว่าจำใจเร็วตำรวจที่ดีแต่าหารที่ดีข้าราชการที่ดีมีเยอะ มีมากกว่าคนเหลวจะได้ว่าคนเหลวมีน้อยแต่วันทีมีอำนาจมากกว่าคนดีก็โง่ไม่ขึ้นอย่างนาตำรวจที่ว่าในแกมาบอกคารุโงะาว่าผมตัดสินใจแล้วคือแม้ว่าผมจะต้องออกจากระยะการผมก็จะไปเป็นทนายความเพรมีความรู้ในเมื่อให้ผมมาเป็นตำรวจผมก็ต้องเป็นตำรวจนี่ลูหลังที่รั เอย่าลืมเนะี่ยคนดีเขามีเตอคนดีเนี่ยบางทีจะมีอำนาจน้อยวาสนาน้อยอยู่ใต้บังคับบัญชาเขาใหญ่นี่ถ้าเป็นนายตำรวจบางคนเขาอาจจะไม่จับแต่คนนี้ตัดสินใจจับก่อนที่จะเจ๊จะจับมาเล่าให้เ่๊น้องโป้ฟังว่าจะจับดีหรือไม่จับดีน้อโป้ก็ถามว่าคุณเป็นตำรวจใช่ไหม แลก็บอกว่ใช่แม้ถามว่าตำรวจเนี่เป็นผู้รักษากฎหมายใช่ไหมแกก็ตอบว่าใช่ใะเมื่อตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายถ้าเขาทำผิดกฎหมายถ้าตำรวจไม่จับก็จะถือว่าคุณเป็นตำรวจปลอมแต่ว่าก่อนที่จะจับคุณจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ดีไม่ดีคุณจะต้องถกออกจะระย่ ก, กาแล้วอาจจะถูกเฟ้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เนีย่ยก็ตัดสินใจบอกยังไงก็ตามผมจะจับฟ้องเป็นฟ้องเมื่อจับแ ล, แล้วก็มีเรื่องอื่นถูกฟ้องเมื่อถูกฟ้องแกก็มาหาล้องปู่ปู่ก็บอกว่าคอยสู้ในความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเสียงเงินเสียทอง ใ, ใครมันจะออกก็เชิญออกออกเอาไปทนายความหากินแบบสบาย ไม่ได้สอดโซ่ความเงินไปแก่เขาแค่นะเพราะแคนะเขนนะาว่าเลื่อนไปอยู่ที่่นเที่ยนั้นดีมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเจริญกว่าที่เกา่าแต่ถ้าว่าไม่มีไม้สำหรับจับเป็นอันว่าเขาฉลาดหอบกรณีอย่งนี้มีมากตัวหลานจะรับเขาเ่งฉังนั้นถ้าหากว่าเห็นค้าดการชั้นคนน้อยเลวแล้วก็ร้องเสียงจะกอปว่าเลวด้วยความเต็มใจหรืว่าเลวด้วยความจำใจ เรามาพูดเรื่องท่านต่อไปอที่พูดเมื่อกีนี้ก็ข้กล่าวตรงคำที่ว่าก่อนจะทําทก่อนจะพูดคิดให้ก่อนสืบสวนธรรญาณให้แน่นนอนไหว้คนที่เลวมันเลวเพราะอะไรกแ น, น่น mm hmm. เรื่องของไทนมีว่าพระราชาทรงเลื่อมใสในมโหสถมากให้ได้มีความเมตตาการณ์นิ่มาคาดเกียบบาทต่ออาจารย์ทั้งสี่กลับขออยู่ในตําแหน่งตามเดิมอีก ทันมโหสดเป็นผูเ้เตลี่ยมไริด้ไมตตากโุณาแต่คนที่ไม่เหลือนาะแม้แต่คนที่เป็นศัตรูแค่นี้ก็หาในยากอย่างนี้พระราชาจึงพระราชทานยศและทรัพย์ให้แกมาโอสดมากมายทั้งทรงให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาราชการของพระเจ้าอยู่หัวใหม่ไม่ใช่เรื่อนไม่ใช่เรเลเป็นองค์ขมันตรีก็ไปวันนี้ต้องปลูกเป็นวัน มีตำแหน่งเป็นองค์มันตี e, ก็หมดตำแหน่งเลยทำไมนัง่งไว้เราถือว่าเป็นมหาวกรนะดับเลยเทียบกับตำแหน่งมหาวกระดับฝ่ายจานสี่กับตกต่ำลงหมดประโยชน์เช่นถูกงูกัดถอดเขี้ยวตั้งไงถ้าหมดประโยชน์มันก็งูที่ถูกถอดเขียวเป็นอันว่ายิงแกล่งเขาตัวก็ยิ่งเลวลงเห็นไหมโยรันที่รั ยาประพฤตินะแบบอาจารย์เนะี่ยเสียในาประพฤต์ไอ้คนเร็วๆอย่างนี้มันมีที่ไหนบ้างดูคนที่ชอบว่าคนนั้นชอบดีจาคนนี้ติคนนั้นไอ้ตัวไม่ได้ทําตัวเองแนละ้วไม่ได้ทางานประเภทนั้นเวลาทําก็ทําไม่เหมือนเขาทําให้บ้านเมืองบันไรยนิ่งเขาเขาบ้านเขาเมืองเขาตึเาาเาเกเ้การามเ้าลอยต่างๆการทําเฉยปล่อย กฎหมายมีไม่ใช่ตามกฎหมายแต่ว่าพอเขาจะเผาบ้านตัวก็งโกรธ น, นี่คนแบบนี้เขาเลยบอกคนเลวลูกหลานที่รักจงอย่าคบหาสมาคมนี่ต่อที่นี่ไปก็มีเดือนต่อไปตามโมฆะตำรวจโมโหสถเตรียมจะเตรียมพระนครเตรียมอะไรกันนะน่าตัวจะฉลองยศมาได้บอกมโหสถเตรียมพนคร เบอกว่าสดได้มาคำนึงดูว่าตนมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการรเกษาการมากทั้งเป็นที่ไม่วางใจพระราชยศไทยของพระเจ้าวิเทหราชเป็นอย่างมากเพื่ไปที่บกศากเห็นไหมงานนี้ต้องเป็นงานหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่การรับผิดชอบในหน้าที่มันต้องมีไม่ใช่ไปรับเงินเดือนเขาไปแล้วก็มานั่งกอบโกย <c oughs> กองภาสิอากรกินเงินเปล่าค่าขายของเถื่นเถื่อมีอานาจไม่ใช่ท่านี้มันเสียไม่สมเกียรติศักดิ์ศรีมารับหน้าที่ใหญ่ก็ต้องเตรียมกันป้องกันเรื่องต้องรักษาความเป็นเอกราชของชาติวาให้ได้ป้องกันความเป็นอท่าของประชาชนมองดูประชาชนทุกคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุข ตัวอย่างอย่างเช่นข้ามบาสสมเด็จเยอห์หัวคนดีนารัฐบาลที่มีท่านนายกทัตตรีคนดีบรรดาประชาชนคนดีที่เห็นบรรดาเพื่อนชาวไทยเรามามีความทุกข์ยากลําบากขรามบาสสมเด็จเยอหหัวก็ทรงเยี่ยมใจการการเกิดการทํามาห้ากินแบ่งที่พระราชทรัพย์ให้บรรดาประชาชนธรรมาห้ากินน้ําท่วมกระตัดประสิทธิก่อนไม่เก็บค่าเฉา ฝ่ายรัฐบาลเราก็ทําทุกอย่างเอารถไปไม่ได้ใช้เรือเรือไปไม่ได้ใช้กํารบินขนของไปช่วยน้ำเจรท่วมกรุงเทพนานยกรัฐมนตรีออกเดินกันเองในหน้การณะของท่านด้วยนะไม่ใช่คนเดียวนะยิงเห็นว่าคนดีเนี่ยเขาทากันอย่างนี้นานยกคนนี้หมายถึงนานยกคนเอกเรียงสัจธรมนัน นีนดีไม่ดีเรื่องนี้ไปพูดทีหลังนี่เขานายุคนปัจจุบันบางทีอาจจะไปเจอเอานายกคนอื่นเข้าอันใดต้อตายังไม่รู้ว่านายกคนน่าจะเป็นใครเวลาที่พูดนี้บันทึกเสียงไว้เป็นนายกปัจจุบันคือท่านท่านพลเอกเรียงศักจัมมันน์่เวลานี้ข่าวลือลกไอ้แซดตัวมนันจะปฏิวัติมันอีกจะปฏิวัติสถาบันจะยุบจะยุบ ส, สภาอะไรต่าง ว่ากันไปส่งเด็กเขตมันยังไม่มีก็ว่ากันไปไอ้ข่าประเทศนี้มันก็เป็นคนมันให้เท่าจังอะไรทังสี่เนะี่ยเยอให้รํตำตาให้หลวงดีไม่ดีพ อ, อยาไปต่างประเทศก็ระวังนะผมเดินทางไปต่างประเทศมาอะไรแล้วก็เหตร้ายมันยังมีดีไม่ดีหลวงพอที่วัติพออ่อตะบันไฟก็เลยด่าเสีม บ, บัตรบอก็มันสั่งกันไว้แล้วนี่กพรว่าอย่างนั้นไนงะแต่้องโป่งให้หล เขาสั่งกันไว้หรืปล่าหลวงปู่ไม่รู้แล้วคนนี้พูดจะเป็นใครหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนังสือพิมพ์เขาว่ามาเฉยๆว่ามีคนพูว่าระวังให้ดีนะเวลาผมไปตามประเทศจีนหลครังข้างหลังมีเรื่องทุกทีปฏิวัติทุกีพอดีฟังมิตยุพอตะ บ, บันไฟใช่ก็ไม่ออกสิแกบอกว่าที่พูดอย่างนั้นมันสั่งกันไว้แล้วนึกก็ไม่รู้หรือยังไงเหมือแกพูดสิ เอาเล่าเรื่องท่านมไปพระเจ้าวิเทีารัตเมื่อทรงไว้วางประเทศไทยมหาสก็จัดการเตรียมพนคจรจึงเห็นว่างานพวกเราใหญ่มากจําเป็นที่จะต้องเตรียมพระนครไว้จึงเห็นสมควรนี้ไม่ควรประมาทในอันที่จะรักจะจัดการป้องกันพนครนในแข็งแรงเผื่อว่ามีข้าศึกมาบุกติดพนาครมาอะไราจะได้สูว์ดง มันจึงจะสวยด้ตรงเตรียมก่อนไม่ใช่ข้าจึกเดินมากระเตรียมสร้างกำแพงเมืองเมื่อคิดกำเนึงอย่างนี้แล้วมโหสถจึงได้ใ <Bear> ห้ก <t waiver> ่อกำแพงน้อยกำแพงใหญ่ในพระนครเพื <ilantro> ่อแผงสองชั้นกำแพงเล็กบังกำแพงใหญ่บังไลทำหอรบไว้ในที่ประตูปัญญายะขุดคูสามโคคือคูน้ำ ผูเปือตมแล้วก็ขัวแห้งซ่อมแซมเรือนเก่าๆให้ดูแผนการรบวางแผนรบได้ตอนนี้ซ่อมแซมเรือนเก่าๆในพระคนครให้ขุดสระปกนีใหญ่ฝังท่อน้ำจากสระนั้นให้สระปกนีคือสะใหญ่ๆนี่วก็มีัวใจแล้วก็ฝังท่อน้าในสระเตรียมหาข้าวาาเปลือกมาใส่จนเต็มชาง นี่ก็นําเข้านําบัวสายให้ใช้บัวบัวที่เป็นสายแล่นก็บบัวขาวมาจากฝ่ายเมื่อผ่านม า, ารโรงงลงในจากให้ฝังท่อเราไปขวดสาหมันลึกเลือดยังไม่พอต่อท่อลงไปให้ลึกไปอะไรก่อนล้วก็ล้างท่อน้ําให้สะอาดให้ใช้น้ํำสนดวกให้ซ่อมแซมสาราที่พักนอกในคอน แล้วก็ที่มาว่ากดใจการมาลงเช่นนี้กอเพื่อเป็นการป้องกันเหตุใดอันจะมาถึงโดยที่ไม่ได้ประมาทเห็นไหมคนดีเขาทากันอย่างนี้เนี่ยก็พร้อมไปก่อนอย่างรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งว่าประมาณโรง้านไอ้น้ำไม่มาต้องคิดว่าปีนี้น้ำํำจะท่วมฝนดีก็คิดว่าปีนี้ฝนอาจจะแล้งจะต้องตั้งว่าประมาณป้งกันไทยไว้ก่อน เหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาอะไรจะได้ใช้ในทันท่ทีสันภาวุฒิไม่ขันกำลังทหารกำบังขัต้องพร้อมคิดว่าสงครามจะเกิดได้ขึ้นทุกวินาทีของแต่ละวันไม่ใช่ว่าปีนี้ยังไม่มีสงครามปีหน้ายังไม่มีสงครามมาเสียต้องคิดว่าสงครามมันยจะเกิดกันได้ทุกวินาทีคนที่มีความจงรักภักดีกับเราเรารัก เราสนองความดีให้พร้อมกันนั้นเราก็ต้องไม่ไว้ใจไม่ดูดีไม่ดีเกรับสิ้นบายค่าสิ้นบนมาจากใครเราจะรู้ได้ยังไงเป็นอนว่รเราเร่งของท่านต่อไปอ๋อสดทรงจาระุรุษยาระบบุษก็คือแนวที่ห้าพืินสีขาวไปไปจำตามเมืองต่างๆประเทศใกล้เคียงก็ <c oughs> เหมือนเหมือนกันกับเวลานี้ทุกคนก็ส่งมา โทษทหารนี่ก็คือแนวที่ห้ากันเองเนื้อโทษใหญ่ของเขาอังคาริยทระทูษอุปโทตเองอังคาริยะทูษนี่ก็คือแนวที่ห้าแล้วว่าโทตทหารต่างๆที่ส่งไปรประจําตามเมืองต่างๆและเมืองเราพอดีเขาก็มาดูการเคลื่อนไหวของเรามางทศก็ทําแบบนั้นนี่กันบรรดาพ่อค้าพาณิชย์ที่มาจากเมืองต่างๆมาทาําการค้าขายติดต่อกับเมืองมิเชลา ทุกคนเมื่อได้ทราบเกียกรติยศในเกียรติคุณของมโหสถเป็นกระต่างคนต่างเป็นที่ต้องเข้าไปทํำการติดต่อขอรู้จกักนคนดีแบบนี้นะยิ่งถ้าเรื่องบัวแทนก็ไม่ต้องหาคะแนนเสียงใช่ไหมและอย่าอย่าสนทนาปราศักับเสน่นห์ของมโหสถเมื่อเข้าไปแล้วท่านมโหสถก็พูดจาปราศัยสนิทสนมดีมาก แต่โมโหสดบัณฑิติพัฒนาไต่ถามปรรดาว่าคาพาณิชย์ทุกคนจะรู้จักว่าคนนั้นมาจากเมืองนั้นคนนั้นมาจากเมืองนี้ถามเรื่องสิ่งที่ประชาชนในเมือง น, นั้นชอบว่าประชาชนเขาไม่ชอบอะไรก็รู้ใจหมดว่าหนึ่งมโหสถบันดิตได้เรียกทหารจำนวนหนึ่งร้อยกับหนึ่งคนเมื่อพูดว่าทานายไหล จงนําเครื่องบรรดาการที่เามอบหมายให้นี้ไปคนละเมือง <c oughs> รวมแล้วหนึ่งร้อยกับหนเมืองเครื่องร้อยอิสนครเนี่ยทำไมโ น, โน้นนะแม้ถ้ามีมิตรร้อยเมืองกว่านี้ไม่ใช่ เ, เล็แล้วก็ถาวายเครื่องบรรณาการแก่พระราชาเมืองนั้นๆแล้วขอให้ท่านจงเป็นโทษเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีเมืองและคน นี่การทูดเนี่ยมีมาตั้งแสมัยน้นเมื่อใครไปอยู่ที่เมืองไหนก็ขอให้คนเฝ้าสังเกต ด, ดูแลความเคลื่อนไหวของกษัตริย์ในเมืองนั้นเห็นไหมลนะ่ะทูดใ่กระคืนแนวที่ห้านเองแต่หากถ้าหากมีความเคลื่อนไหวในการทางการเมืองเป็นแบบใดได้อย่างไรก็ขอรีบส่งข่าวให้เรารู้เป็นความลับ พวกท่านไม่ต้องเป็นหัวงบ้านเมืองของเราได้ ร, รับเลี้ยงบทพัญญาของท่านเป็นอย่างดีคอยท่านทั้หลายจมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมกับความไว้วางใจของเราถือแม้เรื่องโทษนี้นึกถึงคนคนหนึ่งหลงวิจิตวารการหลงวิจิตวารการเนี่เป็นโทษที่จะหนักมากคราวสงครามที่ไปเป็นโทษที่ญี่ปุ่น การพูดตามประเทศกับประเทศอื่นๆส่งผลงานต่างกันเยอะแก่ท่านเป็นคนเห็นหลายส่งข่าวก็ชุ่มก็จริงก็ชุมจริ้งอย่างนี้มีประโยชน์กับประเทศเราอย่างนี้เป็นโทษกับประเทศเราให้รัฐบาลสมัยนั้นรู้และพร้อมที่จะรับมือเมื่อมาโฮสดเรกทหารมาชี้ใจใส่ศาสร์ในนาที่ของตของตน ที่ต้องปฏิบัติเสร็จแล้วจึงจะรับสอนลงในคุณพนฉลองตราบาดแล้วก็พระขันพมาาลาและอธิษฐานว่าถ้าหากเรามีกิจที่จะต้องทำึ้นเมื่อใดออขอรับสอนเหล่านี้จงปรากฏกันเหมือนกั้ น, น, นใช่ไหมป็นงการอธิษฐานก็มีบนที่อย่าง เมื่อตั้งสตัตยาดิษฐานจบแล้วจึงมอบเครื่องบรรณาการเหล่านั้นให้แก่ทหารหนึ่งร้อยเอกให้นำไปถวายพระราชาในเมืองนั้นนั้นเพื่อเชื่อมความส้นคำนำมตรีไม่เวลารีสองนาทีเสด็จวข้ามากันไปทหารหนึ่งร้อยกับหน่งคนตาง ร, รับบ ร, รรณาการไปตามเมืองที่ตนได้รับมอดหมายให้ไปอยู่ประจำ แล้วก็นำเคือ่องบรรณาการแข้าตรงเจ้าวถวายพระราชาเมืองนั้นเมื่อพระราชาแต่ละเมืองไหนก็ทํางานดีนะพระราชแต่เมื่อในตัดถามเรื่องการมาก็ฟังของตนแทหารทุกคนก็กราบทูลว่ามาเป็นโทษประจำพระราชสํา น, นักก็เพื่อ่จ้าข้าพระราชาตัดถามว่ามาจากเมืองไหน ต่างก็ไม่ทูนไปตางความจริวงพูนว่ามาจากเมืองโน้นบ้างมาจากเมืองนี้บ้างเมื่อราชามืองนั้นทรงรับไว้ต่างก็อยู่ในรัฐต่างก็อยู่รับราชการในราชสอง น, นั้นๆไหน น, น, นี่เขาจะหลาดไม่บอกกับท้องเมืองแต่นี้มากล่าวถึงเมืองที่จะต้องเป็นสังเกน เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญคือเมืองโต้อตอบเมืองต่อสู้เป็นกับเมืองวิเทธิราชพระเจ้าอิทธิราชแต่ว่าอาศัยอำนาจที่มาของโชคีปัญญาสามารถทําเมืองนี้แพ้โดยไม่ต้องเสีกําลังคนเพืนเหนือเมืองเขาว่าเจ้าจุล น, นีธรรมธาตต้องการจะแผลนอนกะไหนหมยิ่กล่าวว่ายังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพัฒนามาพระเจ้า สมณะว่เจ้าสังฆะภรรคะอืสังฆะภรรคะเป็นเกษตรในควนนันกรรมภากรรลัตวันหนึ่งพระเจ้าสังฆะภรรคะรับสัง่งให้จะเรียกระดมผลเอาดิเรียมเครื่องตาด้าวตั้งพร้อมแล้วจะไปไหนพร้อมครั่ง ตั้งใจเตรียมการรบเต็มที่ผู้ทหารก็มาฮอสดอยู่ที่ประจำแฟ้นกาพลรัฐได้ส่งข่าวมาโห้มฮสดสาบว่าเวลานี้พระเจ้าสังขาพระลกะแห่งแคว้นกาพลรัฐได้สัง่งระดมคนเตรียมสันภาวุธไว้มากมายยังไม่ทราบเหตุผลเหตุผลว่าท่านจะส่งนก ยังไม่ทราบเหตุทราบผลว่าเขาจะไปที่ไรเพราะว่าท่านได้โสโปรส่งนกแก้วซึ่งเป็นนกแสันโดไปสืบความดูเถิดกัรบรักว่าอยังไงทูกหลานที่รักไปสืบก็ไม่ไปเสืบนี้นกแก้วยือยู่ในตรงมองเวลาและตรงเวลาหมดคนดีสําหรับวันนี้ก็จะส่งนกแก้วไปไม่ได้ฟังวันต่อไปสําหรับวันนี้ก็ต้องข อ, อยุติวาจะเพียงเท่านี้ ขอหมดเวลาขอลา ก, ก่อนขอความสขสวัสดีพัฒนามงคลร่วบนผลผลจงมีแต่บรรดาลูกหลานที่รักทุกคนแต่บรรดาท่านพุทต่อสารชนิกชนผู้ดรับฟังทุกทา่านสวัสดี